มาพบทวนนคำภีเนติปกรณ์อีกสักครั้งหนึ่งะนะเนติแปลว่าหรือความหมายของเนติเนตินี้โดยศัพท์แปลว่านําไปเนติปกรณ์นั้นก็คือคำภีร์หรือพระธรรมที่นําไปสู่มรรคผล น, นิพพานันผู้ที่มีเครื่องมือหรือมีพระธรรมที่พระมหากัจจยนะได้รวบรวมเรียบเรียงมาจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ามีการปฏิบัติตามนี้คัมภีร์เหล่านี้พระธรรมคำสอนเหล่านี้ก็สามารถนําไปสู่อริยมรรคนําไปสู่อริยผลนําไปสู่การรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานได้เนติปรกรณ์ที่เป็นคัมภีร์นําไปสู่มรรคนิพพานมีอยู่3เนื้อหาใหญ่ด้วยกันมีเนื้อหาอยู่3ประการหลักๆเนื้อหาที่1 ห, หรือพระธรรมกลุ่มที่1นึ่งเรียกว่าหาระ ภาระนั้นแปลว่าวิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าไตรปิฎกนั้นถ้าย่อลงมาก็เหลือทำกับวินยัยย่อลงมาอีกคําสอนเหล่านั้นก็คือพระธรรมที่นาไปสู่วิมุตติรสพระธรรมที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์เรียกว่ามีรสเดียวคือวิมุตติรส ปัญญาขยายเพิ่มพระธรรมที่เรียกว่าวิมุตติรสแบ่งออกเป็นสองคือธรรมกับวินัยแบ่งออกเป็นสคือพระไตรปิฎกแบ่งเป็นหเรียกว่านิกายหานับโดยองค์เรียกว่าคําสอนที่ประกอบไปด้วยองเก้าคือสุตะขยะเป็นต้นคําสอนเหล่านี้ถ้ากล่าวโดยเล่มพระไตรปิฎกที่พิมพ์อยู่ทุกวันนี้โดยมากก็สีิบห้าเล่มถ้าผนวกอัตกถามาก็เป็น9กอดเล่ม คำสอนเหล่านี้ถ้าเรียกตามธรรมคขันธ์ก็ประมาณ 84% 0ห0พันพระธรรมขันธ์คำสอนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้ศึกษาหาระ16การเรียนรู้หาระ16นั้นก็ทําให้หายหลงหายสงสัยแล้วก็ทําให้ไม่เข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เหล่านั้นเพราะว่าคนที่ศึกษาพระพุทธพจน์ไม่ดีก็เกิดความหลงคาว่าหลงก็คือแปลว่าไม่รู้คาสอน สงสัยในคำสอนหรือวิปรลาดในคำสอนเข้าใจคำสอนที่วิป ร, ริตแล้วก็คลาดเคลื่อนไปผู้ที่เรียนหระศึกษาหาระมาเป็นอย่างดี น, นะศึกษาวิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคำสอนทั้ง16วิธีก็จะทำให้ไม่เข้าใจผิดในคำสอนฟังคำสอนแล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะหลักการของหาระทุกๆหาระนั้นจะชี้นาให้เราทั้งหลายน้อมนําไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สุดที่จบลงของคำสอนก็คือการแทนแสดงอริยสัจการประชุมลงสู่อริยสัจในบรรดาอริยสัจก็มีอมตะนิพพานเป็นที่อย่างลงแสดงพระธรรมอย่างลงสู่อมตะนิพพาน ัมหาระทั้งหมดก็มี16ส่วนธรรมะกลุ่มที่สองในเนติปกรณ์ที่สองก็คือนยะเนี่ยนะถามว่านยะคืออะไรนยะก็คือวิธีที่ทำให้รู้จักสังกิเลสให้รู้จักโวทานการที่สามารถเอาสังกิเลตหมายถึงว่าสังกิเลสคือธรรมะฝ่ายเศร้าหมองกับความผ่องแผ้วเมื่อแสดงความเศร้าหมอง แล้วจะหมดจดจากความเศร้าหมองได้อย่างไรก็คือการที่ทําให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นนั้นละได้อย่างไรคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องละอกุศลเนื้อการที่เอากุศลเหล่านี้เนี่ยนะมามุนอย่างลงสู่อริยศาสตร์ได้นั่นแหละเรียกว่านยิยามวิธีที่ให้รู้กุศลให้รู้อกุศล แล้วก็มาจำแนกหมุนไปโดยรอบอย่างนี้เรียกว่าในยะแล้วก็การสงเคราะห์อย่างลงสู่อริยสัทย์ทั้งหลายส่วนอย่างที่สามเรียกว่าศาสนาประทานเนี่ยนะในความโดยสรุปในเนติปกรณอย่างที่สามเรียกว่าศาสนาประทานศาสนาประธานนั้นก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการแสดงตามอัธยาศัยของเวนยสั์ทั้งหลาย เพราะอัธยาศัยของเวนนายศาสตร์ทั้งหลายมีมากมายบางพวกเป็นกามัทยาศัยบางพวกเป็นเนคคำมัทธยาศัยบางพวกเป็นโรสัตยาศัยบางพวกเป็นอโธสัตยาศัยบางพวกเป็นโมหัตยาศัยบางพวกอะโมหัตยาศัยบางพวกทีนามิทัตยาศัยบางพวกอะโลกัตยาศัยไปน้อมไปเพื่อความตื่นบางพวกมีนิสัยเป็นมิจฉาทิฐิพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ประเภทอุเฉททิฏฐิบางพวกก็ประเภทสัสตตทิฏฐินะบางพวกก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นประเภทระดับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือว่ายถาภูตยานทัศนะหรือสัจจานุโลมิกยาพันคุณภาพของอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายความรู้สึกนึกคิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันมีความประสงค์ที่แตกต่างกัน พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมตามอัธยาศัยการแสดงธรรมทั้งหมดของพระองค์ตามอัธยาศัยเหล่านั้นก็เพื่อให้เขาเหล่านั้นรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัทย์ทั้งหลายนั่นเองอันศาสนบประฐานเป็นการมารวบรวมกลุ่มพระธรรมนะกลุ่มพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเพื่อสงเคราะห์เวนยสัทย์ทั้งหลายซึ่งแบ่งไปแล้วเนี่ยมีประมาณ18กลุ่มด้วยกัน เพิ่งทราบมูลบท18เนี่ยนะมูลบทสิที่ไหนเพิ่งทราบในศาสนาประธานถ้ากล่าวมูลบทส8บถ้าพูดตามที่ผ่านมาเนี่ยนะมูลบทส8บมีอะไรบ้างอานะมีสังกิเลส9โวทานเกสังกิเลส9คืออะไรอวิชาตันหาอากุศลมูลสแล้วก็วิปลาสส นะอวิชาภาวะตันหาอะปุสลมูลสามวิป拉าส4านะสองบวกสบวก4ก็เท่ากับ9ส่วนโวทานโวทานก็มี9คือสมถะวิปัสนากุสลมูล3สติปทานสหรืออินที่สี่นสองบวก3บวก4ก็เท่ากับ9 9กบวก9ก็เท่ากับ18น่ใน ในนัยยะทั้งหลายก็เอามูลบท18เหล่าเนี้ยมามุนแล้วก็ยังลงสู่อริยสัจสีทีนี้เราจะรู้จักว่ามูลบทเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนก็ต้องไปศึกษาดูจากศาสนาประธานแล้วศาสนประธานเนี่ยเป็นฉไหนเป็นอย่างไรตัวอีกครั้งหนึ่งนวาสาศาสนาประธานก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าตามอัธยาศัยของสัตว์ซึ่งแบ่งเป็นสูตรก็มีอยู่16สูตรด้วยกัน มีอยู่16กลุ่มเรื่องเห็นไหมพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าดูไปแล้วมีอยู่16กลุ่มเรื่องมีอะไรบ้าง1สังกิเลสะพากยะเรียกว่าพระสูตรที่กล่าวไปตามส่วนแห่งสังกิเลส 2. วาสนาภากยะพระสูตรอันเป็นไปในส่วนแห่งการเจริญกุศลนะพระสูตรที่เป็นไปในส่วนเกี่ยวกับบุญสนิเพทภากยะพระสูตรที่เป็นไปในส่วนแห่งการเจาะทําลายกิเลส มีโลภะเป็นต้นหรือเป็นพระสูตรที่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลอย่างที่4ี่อเสขภคิยสูตรกล่าวว่าเป็นพระสูตรที่เป็นไปในส่วนแห่งธรรมที่มีศิกขาอันจบแล้วหรือกล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายส่วนสูตรที่5ก็คือการเอาสังกิเลสบวกกับวาสนาะเป็นการทั้งแสดงทั้งสังกิเลสและวาสนาะสูตรที่6ก็แสดงสังกิเลศกับ นิเพทะสูตรที่7ก็แสดงสังกิเลสกับอาเซขะสูตรที่8ก็แสดงทั้งสังกิเลตนิเพทะและอาเซขะก็รวมกันสูตรที่9ก็สังกิเลตวาสนานิเพทะสูตรที่10ก็คือวาสนากับนิเพทะนะส่วนสูตรที่11ถึงสูตรที่13ก็เป็นการเอาสังกิเลตมาจําแนกเป็น3คือตัณหาสังกิเลสทิฏฐิสังกิเลตและทุจริตสังกิเลต สูตรที่1 4บสถึงสิก็เอาโวทานมาจําแนกเป็นว่าโวทานแปลว่าความหมดจดหมดจดจากตัณหาหมดจดจากทิฏฐิและหมดจดจากทุจริตทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระสูตรจึงมีอยู่16สูตรด้วยกันคําว่า16สูตรก็คือ16กลุ่มเรื่องนะถ้าถ้าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกจะรู้ว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่16กลุ่มเรื่องหลักเนี่ย ทนี้ส่วนที่น่าจะเอามากล่าวเป็นพิเศษท่านก็เลยยกสังกิเลสสังกิเลสแปลว่ากิเลสนี่แปลว่าความเศร้าหมองความหมุ่นหมองความขุ่นหมองก็ได้ความมัวหมองความเศร้าหมองความเสียหายนั่นแหละสังกิเลสก็คือถึงพร้อมด้วยความเศร้าหมองเสียหายมีอยู่3ามอย่างคือหนึ่ง ตันหาสังกิเลสะภาคียสูตรสองทิฏฐิสังกิเลสะภาคียสูตรสทุจริตสังกิเลสะภาคียสูตรตันหาสังกิเลก็คือส่วนแห่งความเศร้ามองด้วยอำนาจตันหาส่วนแห่งความเศร้ามองด้วยอำนาจทิฏฐิส่วนแห่งความเศร้ามองด้วยอำนาจของผู้จริตทั้งผันบางคนนี่เศร้ามองเพราะตันหาเศร้ามองเพราะทิฏฐิเศร้ามองเพราะทุจริตคือความชั่วทั้งหลาย ในสามประการนั้นตัณหาสังกิเลสย่อมหมดจดด้วยสมถะสมถะนั่นแหละเป็นสมาธิขันทิฏฐิสังกิเลสเนี่ยนะความเศร้ามองด้วยทิฏฐิย่อมหมดจดด้วยวิปัสนาวิปัสนานั้นเป็นปัญญาขันธุจริศสังกิเลทย่อมหมดจดด้วยสุจริสุจริตนั่นแหละเป็นสีละขันธ์ถ้ากล่าวอีกในหนึ่งนะถ้าูตาม อัตถกถาพระไตรปิฎกนะอัตถกถาพระวินัยปิฎกอัตถกถาทีขนิกายเป็นต้นแล้วก็กล่าวตามวิสุทธิมัคศีลนิเทศที่ขยายอุเทศถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนพระธรรมคือสอนพระไตรปิฎกคือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมพระวินัยนั้นกําจัดสังกิเลสคือทุจริตพระสูตรกําจัดสังกิเลสคือตัณหาพระอภิธรรมกําจัดสังกิเลสคือ ทิฏฐิพระสูตรนั้นเป็นสมถะสมถะคือสมาธิพระวินัยนั้นเป็นสูตรจริตเป็นศีลพระพิธรรมเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาก็คือศีลสมาธิและปัญญาวันไตรศิกขาไตรศิกขาก็คือการศึกษาสามอย่างก็คือศึกษาอธิศีลศึกษาอธิจิตศึกษาอธิปัญญาศีลก็คือศีลขันธ์สมาธิก็คือสมาธิขันธ์ปัญญาก็คือ ปัญญาขันเศีลเป็นเครื่องชำระความชั่วทางกายวาจาและใจสมาธิเป็นเครื่องชำระตัณหาวิปัสสนาเป็นเครื่องชำระมิจฉาทิฐิทั้งหลายอันผู้ที่เจริญวิปัสสนาคือผู้ที่ชำระมิจฉาทิฐิแต่ที่สำคัญจะต้องเข้าใจว่ามิจฉาทิฐิคืออะไรนะมิจฉาทิฐิคือ ส, สตทิฐิและอุเชธ ท, ทิฐิเป็นตน้นหันการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อกาจัด มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเพราะว่าวิปัสนาคือสัมมาทิฏฐิเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนะนะแล้วก็ละความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงหรือความเข้าใจผิดที่เป็นไปกับอุเฉททิฏฐิและสัสตตทิฏฐิเป็นต้นหากว่าความติดข้องในภพทั้งหลายย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลหมายถึงว่าคนที่รั ก, รกษาศีลอย่างดี แต่ก็ยังติดใจในสุขติภพเช่นประสงค์ที่จะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นสมถะและวิปัสสนาก็เป็นบุญญากิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนาแก่บุคคล น, นั้นและเป็นไปเพื่อบังเกิดในภพนั้นๆคิดว่ารักษาศีลยังอยากคิดว่ายินดีในสุขติภพอยากไปเกิดในภพภูมิที่ดี เมื่ออยากจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีเขาก็อบรมสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปแต่เป็นการเจริญเพื่อเกิดในภพเนี่ยนะเป็นการเจริญเพื่อเกิดในภพนั้นเขาก็ได้เจริญสิ่งเหล่านั้นเพื่อการเกิดในภพเพราะว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในสุดจริตตั้งอยู่ในคุณงามความดีอบรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์สมบัติก็สมประสงค์ ถ้าเกิดในสวรรค์สมบัติก็สมความปรารถนาเพราะว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในบุญกุศลตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในศีลทานศีลภาวนาหรือศีลสมถาวิปัสนาเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ทําให้เขาปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์มหาศาลเช่นครือาบดีมหาศาลพรามมหาศาลกษัตริย์มหาศาลนะก็ประสบความสําเร็จหรือจะปรารถนาเกิดในชั้นจาตูมดาวดึงเป็นต้นก็ย่อม ประสบความสําเร็จถ้าหากว่าย้อนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าจะกล่าวย่อๆก็มีอยู่เพียงแค่สกลุ่มหรือ4สูตรด้วยกัน4สูตรอะไรบ้างก็คือ1สังกิเลสะสังกิเลสะภาคยาสูตร2วาสนาภาคยาสูตรสนิเพทะภาคยาสูตร 4. อเสสะภาคยาสูตร ย, ย, ย่อลงมาแล้วนะเมื่อย่อลงมาโดยสาระแล้วมีอยู่สี่สูตรด้วยกันแต่เมื่อทำให้เป็นสาธารณะทั่วไปมาจัดกันก็จะได้แปดสูตรคือเช่น น, นะเพิ่มขึ้นมาอีกนะวาสน า, า ส, สังกิเลสกับวาสนาสังกิเลสกับนิพเพทะสังกิเลสกับอเซขวาสนากับนิพเพทะก็มามาขยายเพิ่มก็จะเป็นแปดสูตร 8สูตรเหล่านั้นนั่นแหละเมื่อกระทําให้เป็นของทั่วไปสาธารณะทั่วไปก็ได้16สูตร16สูตรดังที่กล่าวไปแล้วทั่วในครั้ง16สูตรมีอะไรบ้างหนึ่งสังกิเลสะภาคยะ 2. วาสนาภาคยะสนิเพทภาคยะสอเสขภ า, าคยะ 5. สังกิเลสะภาคยะสังกิเลวาสนาภาคยะ 6. สังกิเลนิเพทภาคยะ7สังกิเลอเสขะภาคยะ แสังกิเลสนิเพทะและอาเสขาภาคียะเก้าสังกิเลวาสนาะนิเพทะภาคียสู10บก็วาสนากับนิเพทะภาคียะสิบอดตันหากับตันหาสังกิเลสิบสองทิฐิสังกิเลสิบสาทุจริตสังกิเลสิบสตันหาโวทานสิบห้าทิฐิโวทานสิหทุจริตโวทานซึ่งในหน้า หน้า274 275ก็สรุปให้ดูโดยใจความก็คงพอดูไม่ยากนากัก น, นะในหน้า274 275ที่กล่าวถึงลักษณะของพระสูตรในพระไตรปิฎกว่าแบ่งไปแล้วเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆของพระสูตรทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรการที่เรารู้กลุ่มของพระสูตรเนี่ยนะจัดหมวดจัดกลุ่มได้มันก็สะดวกต่อการศึกษาก็เหมือนกับว่า ข้าวของที่เราจัดเป็นระบบเป็นระเบียบข้าวของที่เราจัดเป็นระเบียบเนี่ยนะเวลาจะใช้เวลาจะหาก็หาไม่ยากเนี่ยนะชันใดก็ดีการศึกษาพระธรรมถ้าเราสามารถจัดกลุ่มพระธรรมได้ดีจัดกลุ่มพระธรรมได้เข้าใจอย่างถูกต้องหรือมองเห็นพระธรรมปั๊บรู้เลยว่าอยู่ในกลุ่มไหนการเรียนพระธรรมก็ไม่สู้จะยากนักเนี่ยนะ ก็ทำให้เห็นว่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงตามอัธยาศัยของผู้ใดเป็นต้นสูตรคือปรยิยติศาสนามีอยู่9ประการ น, น, นะนะทนครั้ง9ประการคืออะไรคือสุตตะเคยะเวยกากรณะคาท้าอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมและเวทัละพระสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะองค์9เหล่านั้นเนี่ยถ้าแบ่งออกมาก็ได้16สูตร16สูตรตาม ศาสนาประธานศาสนาประธานก็คือนะทวนอีกครั้งพวกสังกิเลสะพากิยะวาสนาภาคิยะนิเพทภากิยะอาเสสะภาคิย ะ, เ, ะ, ยะเป็นต้นคาถาพึงอนุมานด้วยคาถาที่ยกมาเป็นตัวอย่างในที่นี้ไวยกรและพระสูตรพึงอนุมานด้วยสูตรที่ยกมาเป็นตัวอย่างในที่นี้ในที่นี้เนี่ยท่านจะยกมาเป็นตัวอย่าง พระสูตรทั้ง16หัวข้อไม่น่าหนักใจเพราะว่ามีตัวอย่างประกอบว่าสูตรประเภทใดเป็นสังกิเลสสูตรแบบไหนเป็นวาสนาสูตรแบบไหนเป็นนิเพธภ า, าคยะสูตรแบบไหนเป็นอเสขะภาคยาสูตรอันเมื่อเราเห็นพระสูตรเหล่านี้พอเป็นตัวอย่างวันหลังอ่านพระธรรมอ่านพระไตรปิฎกก็รู้ได้ทันทีว่าสูตรเหล่านี้คืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องสูตรทั้งหลายถ้าตันหา หมดจดด้วยอะไรหมดจดด้วยสมถะทิฏฐิหมดจดด้วยวิปัสนาทูจริตหมดจดด้วยสุจริตทันทุจริตสังกิเลนี้จะกล่าวเป็นลําดับแรกบรรดาสูตรเหล่านั้นในสิบสูตรนะทั้งสูตรทั้งหมดมีอยู่สิหสูตรสูตรที่หนึ่งคือสังกิเลสภาทิยสูตรเป็นไงนะมาดูคาถาว่า ชนทั้งหลายผู้บอดด้วยความรักใคร่ถูกคลุมด้วยตาข่ายคือตันหาถูกครอบด้วยเครื่องมงบังคือตันหาถูกผูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือความประมาทเหมือนปลาทั้งหลายถูกดักอยู่ด้วยใส่ที่ช่องทางน้ําไหลชนเหล่านั้นย่อมไปสู่ชราและมรณะเนืองๆเหมือนลูกวัวที่ยังไม่อดนมติดตามแม่วัวไปฉะนั้นอันนี้คือสังกิเลสะภาคยะ สังกิเลตประเภทไหนประเภทตันหาสังกิเลสตันหาสังกิเลสนั้นคืออะไรก็คือตัวตันหาตันหานั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือผู้ที่บอดขณะที่ตันหาเกิดขึ้นขณะนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นความมืดและเป็นความบอดเมื่อมืดบอดด้วยอำนาจของตันหามีตันหาเนี่ยดับเรียกว่า ตันหาเนี่ยคลุมด้วยตาข่ายเคยเห็นปลาติดตาข่ายติดแห่ไหมไอ้ตาข่ายก็เหมือนกับแหนี่แหละติดร่างแหผู้ที่ถูกคลุมด้วยตันหาเหมือนกับร่างแหไปที่ไหนก็มีแต่ตันหาร้อยรัดเนี่ยนะเหมือนกับใยแมงมุมอย่างนั้นนะอ่ะเรียกว่าเหมือนตาข่ายเหมือนใยแมงมุมทั่วทุกหนทุกแห่งแล้วก็ถูกครอบเหมือนกับว่าอยู่บนหลังคามีหลังคาครอบไว้ตลอดก็คือตัวตันหาถูกโูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือความประมาทนั้นตันหาเป็นตัจจัยจึงเกิด การแสวงหาเมื่อเกิดการสแสวงหาจึงมีการรักษาเป็นต้นในที่สุดก็เต็มไปด้วยความประมาทคําว่าประมาทก็คือปล่อยใจไปกับบาปและอกุศลทั้งหลายละเลยในการเจริญกุศลไม่สนใจในการเจริญกุศลพอกพูนแต่บาปและอกุศลฉะนั้นผู้ที่ใช้ชีวิตเต็มอยู่ด้วยบาปและอกุศลมีความโลภเนี่ยครอบงําย่ายีหัวใจอยู่ตลอดบุคคลเหล่านี้เรียกว่าอยู่ด้วยความประมาท ผู้ที่ประมาทอย่างนี้เนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนปลาที่อยู่ที่ปากใสถ้าถ้าใครที่เคยเดูเขาดักปลาเนี่ยนะเอาใส่ไปดักปลาเนี่ยนะเวลาน้ำจะไหลจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งมันจะมีคันนาเป็นต้นขวางอยู่ก็เอาใส่เนี่ยไปวางตรงน้าช่องทางน้ำไหลปลาปลาขึ้นก็เข้าใส่ปลาลงก็เข้าใส่ ปลาทั้งหลายที่อยู่ในปากใสก็ฉะ น, นั้นบุคคลผู้ไม่ผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทก็เป็นเช่นนั้นคนที่ประมาทก็ไหลไปสู่ไหนปลาที่อยู่ปากใสไหลไ ป, ไปไหนก็นะไหลขึ้นก็เข้าใสไหลลงก็เข้าใสฉันใดผู้ที่เต็มไปด้วยตันหาถูกตัญหาดักไว้ข้างหน้าดักไว้ข้างหลังดักไว้ข้างบนถูกครอบคลุมไ้ด้วยตันหามืดบอดอยู่นด้วยอานาจของตันหาแล้วก็มีแต่ เครื่องพันธนาการคือความประมาทเขาเหล่านั้นก็ไหลไปสู่ชราและมรณะบ่อยๆเหมือนอะไรเหมือนลูกวัวลูกโคตัวน้อยที่ยังไม่อดนมติดตามแม่วัวไปฉะนั้นนะลูกโคตัวน้อยๆเนีย่นยไม่ไปไหนหรอกเพราะมันห่วงหวงห่วงกินนมมากเพราะนั่นก็จะตามแม่ไปร้องนะถ้าใครเคยเลี้ยงโคแม่ลูกอ่อนจะรู้ดีเนี่ยนะโคไอ้ตัวลูกอ่อนไม่ต้องไม่ต้องผูกต้องมัดเนี่ยนะ มันอ่อนจริงจริงมันไม่ไปไหนไกลแม่หรอกอีกพักเดียวก็มาดูดนมแม่อีกพักเดียวก็มาดูดนมแม่ฉันใดมูสัตผู้บอดด้วยตัญหาถูกคลุมด้วยตาขายคือตัญหาถูกครอบด้วยเครื่องมุงคือตัญหาถูกมัดด้วยความประมาทนะปล่อยกายปล่อยใจปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจไปในกายยัทุจริตนะเป็นต้นตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมี พบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเมื่อมีชาชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตก็ไหลท่วมทับไปเนี่ยนะพระสูตรที่กล่าวเช่นนี้เรียกว่าสังกิเลสะภาคีสูตรสูตรที่บอกให้รู้ว่าสังกิเลสคือตัวตันหาตันหาเป็นเหตุให้เพลดิดเพลินเมื่อเพลดิดเพลิน มืดบอดปกคลุมครอบงำด้วยตันหาอย่างนี้ก็มีตันหาเป็นเหตุจึงยึดถือเมื่อยึดถือก็ทำกรรมด้วยกายวาจาและใจการทากรรมด้วยกายวาจาใจกรรมเหล่านั้นก็นำไปสู่ภบอันนิสงของภบทุกภพก็คือชราและมรณะเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเนี่ยนะที่สุดของความเกิดก็คือความแก่และ ความตายตันหาเป็นยางเหนียวตันหาเป็นตัวที่นำเกิดพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงว่าการแสดงแบบนี้เป็นสังกิเลสะภาคิยะโดยที่ยกความเศร้าหมองของสัตว์คือตัวตันหาที่ฉุดพาไปสู่พบใหม่สังกิเลอีกอย่างหนึ่งนี่นะเิกสู่ทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้เป็นการถึงอัคติ อคตินี่มันก็ว่าเป็นการลำเอียงนะนะเป็นการลำเอียงแบบหรือเป็นการไปแบบคดคดนีนะไปแบบคดไปแบบโกงสี่อย่างเหล่านี้ที่เรียกว่าอาคติอะไรบ้างคือถึงฉันทาคติทีเรียกว่าคดเพราะฉันทะเนี่ยนะนะไปคดเพราะเพราะตัณหานะนะี่ยแหละโทสาคติไปคดเพราะความโกรธโมหคติย่อมไปคดเพราะความลุ่มหลงพยาคติก็ย่อมถึงความคดเพราะความกลัว